พระธรรมเทศนากันนีนพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมันโนแสดงโรรดคณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2508ันรณวัดปาบ้านจาจังหวัอดอุดรธานีความสึกความถึงหลังถึงหลัง ทั้งทางโลกและทางธรรมยอมควรขึ้นากับการฝ่าฝืนบากฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจทั้งหมดสิ่งที่เคยอยู่กับมีอยู่กับใจของเรานั้นโดยมากเป็นส่วนที่ต่ําคอยจะถุดลากเราไป ในทางที่ต่ำเทมอเช่นเดียวกับน้ำชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ำนอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรรมราตของน้ำแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ำเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ่งสุด ถ้ายังมีที่ไหลยอยู่เท่าไรน้ําต้องไหลไหลจนหมดน้ําถ้าไม่หมดก็ลงถึงทะเลทั้งว่าทะเลยังมีที่ต่ําลงไปอีกก่อนนั้นน้ํายังจะไหลลงไปอีกอืลักษณะของน้ําไม่ชอบจะไหลขึ้นที่สูงขึ้นขึ้นภูเขาเป็นต้น ที่เขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับมันสูง้าต่ำกว่าที่ดีเทียสายหรือที่ใช้ของคนแรงน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้น เนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยไหลไปทางต่ำแล้วกลับมาไหลขึ้นทวนกระแสขึ้นนี่ไม่เคยมีลักษณะของใจที่มีสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในใจ ก็ยอมจะขุดลากจิตใจให้ไหลลงไปทางต่ำํำเสมอสิ่งใดที่ต่ําใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระชิบให้ชอบมีสิ่งลบเล้าให้ชอบมีสิ่งผักดันให้เป็นไปในทางที่ต่ํำชื่นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัย การอบรมหรือดัดแปลงขวาฝืนธรรมชาติที่ต่ำแต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเช้นนี้นแล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ซึ่ง เ, เปรียบเหมือนกับเครื่องขักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีเงโนลกเพราะสาขนาธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจา้าทุกๆพระองค์ก็ปราบปรว่าสอนคนให้ฝ่าฝืนมือดัดแปลงตงัวเอง ให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบ ก, กำน้าเทียบกำน้ากันว่าทางสูงยกเป็นไปเพื่อความถูกความเจริญที่สมมติว่าเป็นความสูงความถึกความสบาย แม่ครูสอนนักเรียนก็สอนนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองนิธีใช้ของเด็กเป็นอย่างไรเด็กจะไม่ค่อยมีความสนใจในผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและพ่อแม่เนี่ยนอกจากจะ ชอบประพฤติตามใจชอบของตนเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมีอย่างไรเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบกันฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนําปรับเปลี่ยนสั่งสอนในความประพฤติมารยาทหรือความรู้ความฉลาที่จะปฏิบัติ ต่นเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับลำดับต ล, ลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแต่ไขัดัดแปลงตงนเองมาไฮไลท์ลงไปสู่ที่ต่าคือความประพฤติ ท, ที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทำเด็กให้เสีย อ, อยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของ พ่อแม่จะต้องคอยดูแลแนะนำตัดตันสั่งสอนไม่เช่นนั้นเด็กจะเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาไม่ได้นี่เมื่อย้อนเข้ามาถึงจิตใจของเราแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งนำอุบายวิธีจากศาสนธรรม รูปความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมแต่เป็นคติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแล้วมาดัดแปลงตนเองเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้ เป็นไปในทางด้านธรรมะมีรู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะ ดีทางด้านจิตใจผูที่จะให้ความอบอุ่นของเราอย่างเต็นที่ในสมัยนี้ก็รู้สึกจะหายาในสมัยโน้นคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและพระธรรมที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้นั่นเป็นธรรมชาติหรือเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่โลกทั้งหลาย อย่างยิ่งตาเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติดยินดีเป็นวนุนทนลได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ท่านโปรดจะเป็นเพียงบาทเดียวคาถาเดียวก็รู้สึกซาบซึ้งถึงังได้เห็นพระสาวกอรหันของท่าน ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นดูยิง่งเห็นจิงตามพระองค์ท่านกหน่ากราบน้าวาดน่าเคารพบูชาอย่างถึงจิตถึงใจได้ฟังธรรมะคำสอนของท่านก็รู้สึกว่ามีรสมีชาเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหิวและได้รับอาหารที่อรเด็ดอร่อยซึ่งเนม่ครัวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เรื่องคนดีที่ว่ามีน้อยนี้ก็เพราะทาเป็นเครื่องฝื้นคติธรรมดาของจิตนี้เราก็จะพยายามฝื้นจิตใจของเราซึ่งเคยเป็นมาจนประจํานิสัยและให้เรียนวิชาเพื่อให้รู้ เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้ปฏิบัติขู่วิธีการที่จะดัดแปลงตัเองนี้รู้สึกจะมียากหรือบ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคําที่ว่าพุทธังสนางคชามิธรรมังสนางคถามิสังคังสนางคชามิ สิงแปลนื้อความว่าพระพุทเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงเป็นเสนะ่ะที่เป็นที่พึงของใจพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกจนนับประมาณไม่ถ้วนเราจรึงไม่น้อมมาเป็นเสนะ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไร เราจึไในน้อมมาเป็นทิฐิทุทั้งเป็นทั้งสายพระสงฆ์สาวกของพระพทุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใด จ, จึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสริมนะเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มี ธรรมชาติหนึ่งถูกลาบไปเป็นมันนักหรือว่าท่านดำเนินเกิดควรกระแสธรรมะของพระโพธิจเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสพระสงฆ์สาวกที่เด็ดจัดทะุนั้นเป็นไปจัดทะลุไปตะได้จัดระลุเพราะการตามกระแสแห่งโลกคือสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในจิตใจนั้น หรือเป็นได้ตรัสรู้เพราะการควรกระแสได้แก่การฝ่าผืนดัดเปล่งเมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คําตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าผืนพระองค์ท่านพระองค์ถ้าธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนถ้าสงสาวก ที่เราได้กราบว่าอย่างนี้ล้วนแน้วตั้งแต่ท่านเป็นนักป่าฝืนตนเองทั้งนั้นคือป่าฝืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตน้นพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงสเสด็จออกท่าหนวด การเสด็จของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นประวัติการอัน่นใหญ่มาจนถึงสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาชัยชนะไปสู้รบกับพระพุทธเจ้าน้นในวิธีการที่พระองค์ท่านเสด็จออกไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายไม่สามารถจะสลัดปัดทิ้งได้ พระสิทธัตถะราช ก, กุ ม, มารซึ่งยังที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสละเสียสิ้นเวลาออกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความลำบากไม่มีใครจะลำบากเท่าพระพุทธเจ้าหรือเท่าพระสิทธัตถะุ ม, มารในเวลานั้นแต่เวลานั้นท่านทรงหนวดแล้ว อ, อ ก, กายเป็นพระผุนนานายทายาบททั้งสี่จะไม่มีความสะดวกพระกาย ส, สมายพระไทยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกระตย์การเสด็จดูเสด็จไปประทับนั่งประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวก ผมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแล้วไอ้บำเพ็ญพระองค์ท่นอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาสามารถตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่วๆไป น, นี่ที่ว่าเป็นความลําบากแสนสาหัสสําหรับพระพุทธเจ้าในคระบาเพ็ญพระ บ, บรมินหรือบํำ พื้นคติธรรมนาทึ่งฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพทะุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้ถือเป็นชนะว่าพุทธทางแท่นังคะถานพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คาที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกทุกท่าน ได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบัตทุกวั ก, ท, กทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญต่อการแก้ไขตนเองหรือดัดแปลงตนเองไปเป็นขั้นขนัเราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่ น, นั้น เข้ามาเป็นเครื่องคร่ำสอนสจิตใจของตอัวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบยี่สิสี่ชั่วโมองนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสําคัญสําหรับจะคิดเรื่องบัญชีของตัวที่จะทําให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจิตใจ ให้รู้วิธีทางเดินของจิตจะทั่วเวลากี่นาทีก็าตามตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยชินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีและจะเลื้นงลูเรี้ยงไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้อง ดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญที่ดำเนินได้แล้วอย่างไรถ้าเราจะคิดเอาคนที่ต่ำมาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ำเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ำยิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ฉะนั้นเรา เพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องขยุงจิตใจของเราและเสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีร้ายสาระแก่ตวเองออกไปเป็นลำดับลำดับจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลง หรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมดาของที่ของธาตุขันต้องการกลมความอยากตามนาแห่งสิ่งที่ผลักดันออกไปน่แก้ที่เหลียอกันหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสําคัญนี่แลจะต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะหาขู่ หาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำทมสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงสาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มาจากตารับตานาก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆ ตามแต่ความฉลาดรอบครอบของเราที่จะดัดแป่งตนได้โดยอุบายวิธีใด <detection. S 1> ความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลาเมือม่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแปงหรือซักพ้อออกไปเสมอความอยากกอนับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะ ทุกสิ่งถ้าขาดเครื่องบำรุงแล้วจะเจริญเติบโตไปไม่ได้ความชั่วหรือพูดอย่างกลางๆก็คือกิเลสตัณหาสิ่งทั้งนี้ต้องมีเครื่องส่งเสริมหรือบำรุงถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมบำรุงอยู่แล้วจะทรงตัวอยู่ไม่ได้และจะเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้เหมือนกัน การส่งเสริมหรือการบำรุงถิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังกล้านั้นจะส่งเสริมหรือบำรุงอย่างไรบ้างนี่เราทุกทุกท่านคงจะเป็นผู้เคยเ ส, ส่งเสริมและบำรุงมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในความทำหรือความเป็นของเราเช่น ยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นวันนี้เราไปดูหนังดูละครไปเห็นเรื่องต่างๆในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีความตื่นเต้นให้เกิดความเพลิดความเพลินแล้วเกิดความติดอกติดใจยิ่มแย้มแจ่มใสเป็นไปตามเรื่องนั้น ทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไปงคงไม่คิดวันหลั ง, งสมมติว่าเขาฉายเวลา1ินาฬิกาวันวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายจะตั้งแต่แปดนาฬิกาหรือเทานาฬิกา และอยากให้ฉายหลายๆรอบด้วยและฉายเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นที่ถูก อ, อกถูกใจของเราด้วยเรื่องทรัพสมบัติที่จะหมดไปเพราะการซื้อตั๋วเข้าดูนั้นไม่คำหนึ่งและเรื่องนิสัยของตนเองที่จะเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คำหนึ่งขอจะให้เห็นให้รู้ให้ชอบอกชอบใจ อันเป็นการส่งเสริมหรือบำรุงที่เลส ต, ตัวนี้ให้มีกําลังกล้าขึ้นยอดเป็นพอแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมเขาเค่นี้นี่แหละลักษณะที่เราไม่ได้คิดว่าเราส่งเสริมเขาแต่เราทําวิธีส่งเสริมหรือบำรุงเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกว่าการส่งเสริมหรือการบำรุงอาหารให้เขาเขาก็มีกําลังขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้จิตใจมี มีความอยากขนาดนี้วันหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นถ้าเราเสริมมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไปเป็นลำดับลำดับอ้าเมื่อวันนี้เราไปความอยากของเรามีขนาด 50% วันหลังเราไปอีกความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% 70% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้นับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตที่เจริญขึ้นไปเป็นน้นเรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้ ก, การบำรุงจิตใจของเราด้วยคุณงามความดีนี้ก่อจัดว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมท่านเรียกว่ามัคคือทางปฏิบัติหรือทางนำหนึ่งหรือทางแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกินนี้ให้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปตามธรรมดาฝ่ายธรรมะ ตับ50คือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็น50ที่เป็นประปักกันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือหนักไปกว่า น, นั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันด้อยลงเป็นลํำดับลำดับ จนลืมวัดลืมว่าลืมวันพระวันโยมลืมศีลลืมทำลืมการเจริญเมตตาภาวนาลืมไปหมดที่ว่าคุณงามความดีแล้วไม่มีเหลืออยู่ทั้งในใจเลยเพราะอำนาจธรรมชาติทิศตรงกันข้ามมีอำนาจมากกดขี่บังคับหรือทับถมถีนธรรมของเราให้หมดไปจากใจทั้งหมด ใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งอย่างนั้ น, นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือว่าเรามียากแก่กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอดของสิ่งผักดันทั้งหลายเหล่านี้คายได้วันละเล็กลนน้อย คุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความร่วมใยต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสะดับสับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสำคัญของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อม มีความแวงอยู่เสมอที่จะทราบในเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งเหตุผลดีชั่วเหมือนกันเมื่อได้ทราบถึงหลักเหตุผลที่แท้จริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจต้องมีความเชื่อไม่มากก็น้อยแล้วเป็นเหตุให้มีความดูดดื่มที่จะประฤติปฏิบาตาัติต่าง นั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมปฏิทังที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขันไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยูเ่เสมอความดีก็มีกำลังศรัท ธ, ธาก็มีกำลังความอดทนก็มีกำลัง ความภาคความเพียรทุกวิถีทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมชื่อว่าจิตธุระที่จะเป็นรประโยชน์ยวเป็นความเพียรไปได้ด้วยดีเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อทุกสิ่งก็มีกำลังแล้วเรื่องผลก็ต้องแสดงขึ้นมายกตัวอย่างใกล้ๆขึ้นเรานั่งภาวนา ทุกทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กล่าวว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวัสดิ์ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรับไว้ชอบแล้วมาดาเนินตามแบบ ของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภาในจิตใจของเราวันในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอติอยาลดละความภาคเพียรเท่านั้นยิดที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็เหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่า รสอาหารตระเภทนั้นมีรสเด็ดอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความผสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านกว่ามีรสมีชาติท่านจาวไว้แล้วว่ารสแห่งธรรมะนั้นเป็นรสที่ ชนะรถทั้งหลายในโลกนี้แหละโดยชนะซึ่งรถทั้งปวงคําว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถธรรมะนี้มีอำนาจเหนือกว่ารถทุกรถทุกชนเหนือเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏขึ้น จิตที่มีความกระเพื่มอมโดยคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความ ส, สบายของใจนั้นเราจรึงหาได้ยากดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ใน สำนับคำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนํามาปรับปรุงเรื่องสัวบกของเราเพื่อให้จิตทังเราเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบเยือเกเย็นใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวดและฆลาวาย่อมจะมีทุกขมีร้อนเพราะมี จิตมีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็อยากาหยุดกับเรื่อม้าเป็นน้ำกาก็ใสสะอาดอติตะกรอนก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้อย่างสบายจัจในขณะที่น้ำกำลังนิ่งเพราะไม่มีตะกรอน ใจที่กำลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสะวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะกรอนก็นอนนิ่งติดตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแน่วในเวลานั้นนันแยเป็นบอ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจตนเองตะกรอนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่าจัดไว้ที่ไหน และท่านบรรลุสมาธิหรือเห็นสมาธิเป็นสมาธิท่านเป็นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบได้ยินแต่ชื่อองค์ของสมาธิจริงๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มาปรากฏในท่านผู้บำเพ็ญคือเราเส้นเลือดในหลังนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้เราก้าวขึ้นบันไดท่านที่สองต่อไป สมาธิที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และความเพียรที่ยิ่งกว่านี้และศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นยิ่งกว่านี้เพราะเราได้เห็นประจักษ์แล้วในผลที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินเราได้ยินแต่ที่บัตรนี้มาปรากฏตัวสมาธินั้นอยู่ภายในใจของเราเสียอความเย็นเย็นใจสบายถ้าเรียกว่ารถก็เป็นรถที่ จับติดจับใจใครได้ปรากฏเขาแล้วไม่มีความติดจังยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะผึ่งตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วท่า น, นอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะกิดที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบพวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้น จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั่นเป็นลาดับไปในอันดับต่อไปนั้นพูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลาดับใจมีความละเอียดเท่าไร่มีความสงบเข้ามากเท่าไหร่เรื่องความสุขซึ่งเป็น เงาตามตัวนั้นต้องแสดงออกมาใครจะรู้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่รู้ชื่อกว่าตามแต่ธรรมาชาติซึ่งเป็นของเป็นเองนั้นจะปรากฏอยู่กับใจของท่านผู้มีจิตเป็นเช่นนั้นและจะทราบชัดทันทีโดยไม่ต้องถามใครว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นเช่นไรในเรื่องของสมาธิ ขอสรุปความว่าสมาธิเพียงขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้และขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปกว่านี้ขั้นละเอียดก็ยิ่งมีความสุขความอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหรือนักบําเพ็ญทั้งหลายจึงติดในสมาธิไม่อยากจะก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาเพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นตัวของตัวจนพอแล้วไม่อยากสนใจในธรรมะที่ยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจว่านี้เป็นที่เพียงพอหรือเป็นที่พอใจแล้ว แต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกทิกันนาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของทีเด็ดปัญหาอาชาวะซึ่งเคยถดลากรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภายในจิตใจของเราเมื่อเรามองเห็นเรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไข เช่นเดียวกับเรามองเห็นตนผูหลักแต่ก่อนเข้ามาถกขมโมยของของเราวันยัางคําคืนยัางลุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของเรานั้นหายไปทุกวัน <Hey. S 1> มีเรื่องของเรานั้นนเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกขาะเรื่องนี้วันนั้นทุกข้อเรื่องนั้นเอ uh. ไปที่ไหนก็มีกระบนกันว่าไม่สะดวกไม่สมายไปที่นั่นคนนั่นก็ะโบน่าอย่างนั้นไปทั้งที่นี่คนก็นี่ก็ะโบนมากนี่ ผู้ที่จะบนว่าฉันมีความสุขความเจริญแล้วไม่ค่อยมีฉันมีความข้มูลทูนสุกแล้วไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มตรงต่างเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รับผ<ม>ิดต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเองเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบ่อกเกิดแหงความทุกข์นั้นเีียได้ เมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องค่าสึกของใจของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเช่มันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาคอยสอดคอยสอดส่องอยู่เสมอเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระงับดับกันได้ดับไปวันเล็กมาน้อย ตามมนเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็ทันกันเข้าไปทันเข้าไปจับตัวได้มันจะไปไหนฮะราคามันก็ได้ทีหนี่เมื่อจับทันแล้วเรื่องของปัญญาคือค่าที่เละทันในตัวนี้ทันเรื่องขอปัญญาแล้วปัญญาก็มีหลายขั้นที่เละเป็นขั้นยาปัญญาก็เป็นขั้นยาที่เละและเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็ทันกันไป ปัญญาขั้นละเอียดก็มีเพราะกิเลสขั้นละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอาสมะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกท้ายกับว่าจักกว้างขวางแสนจุดหูสุดตาของเราแต่ถ้แท้จริงโลกที่แท้จริงทําให้เรามีความหมุนเวียนเกิดเจ็เจ็บตาได้รับความทุกข์ความร้อนคือโลกหัวใจเรานี่เท่านั้นน่นปัญญาก็ทราบชัดว่า ไอ้โลกนี้ไม่มีที่ไหนกว้างอะไรมากนอกจากหัวใจมันกว้างขวางไปเองกว้างคือมันกว้านหาทุกกว้างด้วยกว้านด้วยกว้านหาทุกเมื่อเราได้ปัญญาได้ใช้ปัญญาตีตะล่มเข้ามาตะล่ำเข้ามาเรื่องของทุกมันก็แคบเข้ามาเรื่องความหลงมันก็แคบเข้ามามันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นปัญญามีความสามารถฉลาดรอบรู้ทัน วิเลตมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมมีที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่น่ะเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกข์เพราะหมดเชื่อของทุกข์ภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกข์ภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแกให้เห็นไปจับ ก, กับใจของเรานี่เพราะศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุกตา พอที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กและเครื่องรอเด็ก่าท่านทําคุณงามความดีแล้วท่านจะ ไ, ไปสวรรค์นี้พ่านชาดโนนชาดนี้ท่านจะได้รับความสุขในชาติโนนชาตินี้ท่านไม่ได้รับนะนัะ่นมันเป็นเรื่องโกโหกกันไม่สมกับว่าธรรมะนั้นเป็นสันติทิโกรุดเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาผู้จะประกอบคุณงามความดีก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาทำมาได้ทั้งนั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่ผลที่จะปรากฏขึ้น เป็นเครื่องตอบแทนจะไปหาการหาเวลาหาโลกนั้นโลกนี้ที่ไหนต้องเกิดขึ้นตามเหตุที่เราได้บำพินมาถเราแก้ปมแห่งทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นคนหมดทุกข์แม้ธาตุขันจะแสดงความนิยมนิการไปก็ทราบทัตว่าอันนี้จังรูปังอันนี้จังจึงถึงใจ รูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าทุกว่าทุกข์เฉ ย, ยที่มันเต็มอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนพระพุทเจ้าบทเชื่ออานิจจังทุกขังอต า, าชัดเจนถึงใจเพราะทำถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาทำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกแบบหมดปัญหามันมารวมอยู่ เป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนณดียนี่ผลแห่งการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุทำให้สมบูรณ์พัน์ตัวเลยต้องเป็นอย่างนี้ทังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมนโปรดอย่าได้เห็นว่าดูที่อื่นไกลที่ไหน อยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับหลิงเรายังไม่เห็นเท่านั้นโดยคุ้ยเคี่ยวธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับหลิงขึ้นมาหเห็นประจักษ์กับสติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับกำลังจนถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเรอ คำว่ า, าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะตัดจัดทำอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่นั่น<ะ>เวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขาทุกข์ก็มีอยู่กับเรานิโรธ า, าความดับทุกข์ข้อดับที่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นนิพพานกาด็ดีหรือความบริสุทธิ์หุดพ้นก็ดี เราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่แัจจะทมของิ่นนี้เท่านั้นัา น, นการแสดงธรรมก็เห็นว่าส่ ง, าสงผนเจริญจิอยุติลงเพี่ยนของเอง